คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ตามลำดับข้อที่3อนัตตาความเข้าใจในอนัตตามีคุณค่าสําคัญทางจริยธรรมคือประการที่1ในขั้นตน้นทางด้านตัณหาช่วยลดทอนความเห็นแก่ตนมีให้ทําการต่างๆโดยยึดถือแต่ประโยชน์ตนเป็นประมาณทําให้มองเห็นประโยชน์ในวงกว้าง ที่ไม่มีตัวต น, นเป็นเครื่องกีดกั้นจํากัดอันหนึ่งภาวะที่สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนของมันเองเกิดจากส่วนประกอบและเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นสอนว่าสิ่งทั้งหลายจะปรากฏรูปเป็นอย่างไรย่อมแล้วแต่การปรุงแต่งด้วยการทำเหตุปัจจัยและชักโยงเชื่อมความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถ โดยในยะนี้จึงเป็นการย้ำข้อที่ว่าบุคคลควรปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปัจจัยด้วยท่าทีที่เป็นอิสระซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ได้ทั้งผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและไม่เกิดทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานคุณค่าสำคัญทางจริยธรรมของอนัตตาประการที่สอง ในขั้นกลางทางด้านทิฏฐิทำให้จิตใจกว้างขวางขึ้นสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องพิจารณาและจัดการกับปัญหาและเรื่องราวต่างๆโดยไม่เอาตัวตนความอยากของตนตลอดจนความเห็นความยึดติดถือมั่นของตนเข้าไปขัดแต่พิจารณาจัดการไปตามตัวธรรมะตามตัวเหตุตัวผลตามที่มันเป็นของมันหรือควรจะเป็นแท้แท คือสามารถตั้งอุเบกขาวางจิตเป็นกลางเข้าไปเพ่งตามที่เป็นจริงงดเว้นอัตตาที่ปไตยปฏิบัติตามหลักธรรมาที่ปไตยคุณค่าสำคัญทางจริยธรรมของอนัตตาประการที่สาในขั้นสูงการรู้หลักอนัตตา ก็คือการรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างแท้จริงคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติถึงที่สุดความรู้สมบูรณ์ถึงขั้นนี้ทําให้สลัดความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ถึงความหลุดพ้นบนรรลุอิสราภาพโดยสมบูรณ์อันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมอย่างไรก็ดีความรู้แจ่มแจ้งในหลักอนัตตา ต้องอาศัยความเข้าใจตามแนวปฏิจติจาสมุบบาทและการปฏิบัติตามแนวมรรคซึ่งจะกล่าวต่อไปคุณค่าสำคัญทางจริยธรรมของอนัตตาประการที่สี่กล่าวโดยทั่วไปหลักอนัตตาพร้อมทั้งหลักอนิจจตาและหลักทุกขตา เป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องแท้จริงของหลักจริยธรรมอื่นโดยเฉพาะหลักกรรมและหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเช่นเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนความเป็นไปในรูปกระแสะแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์สึกต่อเนื่องอาศัยกันจึงเป็นไปได้กรรมจึงมีได้และเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนความหลุดพ้นจึงมีได้ดังนี้เป็นตน้น อย่างไรก็ดีคำอธิบายอยู่เรื่องนี้จะต้องพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวต่อไป